ผานามสยามยุทธภาคที่สองว่าด้วยกองทัพกรุงสยามยกพระผลพค น, นิกายเป็นมหายหาโยธาทัพใหญ่ไปกระทำศึกสงครามกับนักโป่งจันร์พระเจ้ากรุงกรรมภูชาทิพบดีเขมรไม่ต่อสู้ไทยนักโปงจันร์หนีไปพึ่งยวนกองทัพยวนยกมารบ ก, กับไทยไทยได้รบ ก, กับยวน และยวนได้กระทำมหายุทธนาการเป็นศึกสงครามกังมาช้านามประมาณถึงส4ปีเศษมีข้อความพิสดารวิตสขานในการศึกไทยยวนดังจะได้แสดงต่อไปนี้อานามสยามยุทธภาคที่สองตอนที่สามกองทัพไทยเปิดศึกรบกับกองทัพยวน ที่คองวามนาวครั้นเจ้าพระยาบดินเดชาได้ทราบข่าวยวนและข่าวเจ้าพระยาพระคังอยู่เมืองโจดกดังพระยาพิทักษ์ภูบาล น, นายกองปรเบีนบอกดังนั้นแล้วจึงมีความวิตกถึงทัพเรือว่ายังไม่เคยการณรงสงครามใหญ่โตเลยจะเสียท่วงทีแก่ไอยวนเจ้าพระยาบดินเดชา จึงรีบยกทัพทหารลงไปเมืองโจโดกแล้วเจ้าพระยาบดินเดชาจึงปรึกษาราชการศึกกันกับเจ้าพระยาพระขังว่าดังนี้ผมได้สืบถามเขมียนถึงขนทางบกและทางเรือที่จะไปเมืองใส่ย้อนนั้นพระยาพระขมีนผู้ใหญ่ได้ทาแผนที่ขีแจงทางลำน้ำและทางป่าดงห้วยเขาได้ทราบสิ้นแล้ว แต่ทางลำแม่น้ำใหญ่จะลงไปเมืองไส่ง้อนนั้นมีแม่น้ำแยกเป็นสองแฟงอยู่เจ้าคุณพระคลังยังไม่รู้จักขนทางนี้จึงจะได้เกล้าชี้แจงให้เจ้าคุณฟังว่าลำน้ำแม่น้ำโขงที่ไหลมาแต่เมืองลาวสิบสองปันนานั้นไหลลงมาถึงทะเลสาบเมืองขมงิแล้วไหลผ่านเมืองขมรมาแยกออกเป็นสองแฝ ที่เมืองบาพนมเป็นสองแยกเรียกว่าปากน้ำบาพนมแผลงข้างซ้ายมือลงไปทางเมืองสแสดกก่อนแล้วจึงถึงเมืองล่องหูต่อนั้นลงไปอีกถึงตาบลท่าสตือเป็นที่ชัยภูมิมีดีมีตลิ่งเสมอราบคาบและที่ดินดดนน้ำไม่ท่วมที่นั้นด้วยยวนจึงได้ตั้งค่ายใหญ่ไม้แก่น เป็นที่มั่นคงไว้เหมือนด่านบกมีทหารอยู่พิทักษรักษาอยู่เสมอเสมอและที่ค่ายใหญ่ตมบนท่าสตือนั้นเป็นหนทางบกมาได้หลายทิศหลายทางเป็นทางร่วมกันที่นั้นเป็นท่าเรือท่าเกวียนท่าช้างโคต่างมาแต่เมืองต่างๆที่นั้นมากที่นี้เป็นที่สำคัญนักหนา ถ้าเราลงไปถึงท่าสตือแล้วจะต้องแต่งปองทับบกให้ยกขึ้นไปรักษาด่านทางช่องท่าสตือด้วยทับเรือจึงจะเดินลงไปสะดวกได้หรือบางทีจะได้รบกับไอโ ย, ยนที่ค่ายไม้แก่นท่าสตือเป็นสามารถอย่างหนึ่งอย่างไรก็ยังไม่รู้แน่แต่ลำน้าทางท่าสตือต่อไปนั้นเป็นลำแม่น้ำใหญ่กว้างขวางแต่ฤดูแล้งนี้ เรือใหญ่เดินลงไปทางนั้นไม่สู้จะสะดวกเป็นการฝืดเครืองเพราะน้ําตื้นและกระแสน้ํานั้นตัวเชี่ยวไหลแรงลงไปออกบรรจบปากน้ําเมืองไส้งน่อนอันหนึ่งแม่น้ําที่แยกมาจากปากน้ําเมืองบาพนมนั้นเป็นสองแวงแฝวข้างซ้ายมือลงไปเมืองสเสด็และเมืองล่องหูดังว่ามาแล้วแต่แวงข้างขวามือลงไปนั้น ก็เป็นลำแม่น้ำใหญ่ไหลามาแต่ทางเหนือแยกที่เมืองบาพนมลงไปขวามือถึงเมืองโจโดกก่อนแล้วไหลเลยลงไปถึงบ้านเล็กเมืองน้อยหลายตาบลแล้วไปแยกออกเป็นสองแฝงแยกกันที่ตาบลปากง้ามชื่อนิ้วายแยกขวามือลงไปออกที่ปากน้ำเมืองปา่าสักเป็นทางลำแม่น้ำใหญ่ไปออกอ่าวทะเลได้เรียกว่า ปากอ่าวป่าสักทางหนึ่งแต่ทางที่แยกตั้งแต่นิ้วรายต่อลงไปข้างซ้ายมือนั้นลงไปออกที่ปากน้ําท่าตอในแขวงเมืองสมิทห อ, ออกทะเลได้ที่ท่าตอทางนี้เป็นที่ลําแม่น้ําเล็กน้อยก็ในลําแม่น้ําทางที่ว่ามาทั้งสองแฝงตอนต้นและสองแฝงตอนปลายรวมทุกแฝวนั้น เรือนราษฎรยวนและไพรพลอยู่ตามฝั่งแม่น้ํานั้นทุกแฝวแต่ล้วนจะตั้งต่อสู้กับไทยทั้งสิ้นอันหนึ่งในแผ่นดินยวนมีแม่น้ําแยกย้ายเป็นหลายแฝวกึ่งในระหว่างทางแม่น้ําทุกแฝวที่แยกย้ายกระนาบแผ่นดินยวนนั้นก็มีกำครองเล็กน้อยและใหญ่ลัดไปได้ถึงแม่น้ําที่แยกย้ายกันนั้นได้ทุกแฝวทุกแฝว มีคลองเป็นหลายสิตบตำบลจนไม่รู้จักชื่อตำบลคลองทั้งหลายเท่านั้นแต่คลองทั้งหลายเหล่านั้นเป็นคลองตื้นๆทุกคลองเรือใหญ่ดังเรือรบของไทยนี้เดินไม่ได้แต่เรือรบของพวกยวนชอบใช้หลายชนิดเป็นเรือเล็กๆองตื้นแกวมาได้ตามลําคลองที่ตื้นๆก็ได้เจ้าคุณอย่าไว้ใจว่าคลองตื้นยวนจะมาไม่ได้ ถ้าคิดอย่างนั้นต็จะเสียราชการยวนมีเรือเล็กเรือใหญ่หลายคลิดมากนักเพราะว่าบ้านเมืองเขาเองไม่เหมือนเรามาทางไกลมีเรือเล็กเอามาไม่ได้ด้วยเป็นทางทะเลมายากเพราะฉะนั้นจึงว่าทางเรือเสียเปรียบยวนอยู่หน่อยหนึ่งขอให้เจ้าคุณพระคังต้องระวังทางคลองลัดต่างๆให้มากอันหนึ่ง ในระหว่างแม่น้ำทั้งสองแฝงนั้นมีคลองใหญ่คลองหนึ่งเป็นคลองสำคัญหนักหนาชื่อว่าคลองวามนาวโตกว้างเท่าลำแม่น้ำเจ้าพระยาที่กรุงเทพคลองวามนาวนั้นทั้งกว้างทั้งลึกด้วยเรือใหญ่โตดังเรือรบเราหรือกำปันสำเภาก็เดินได้ทั้งรดูแล้งและระดูน้ำในระหว่างคลองวามนาวนั้น มีเกาะเกิดขึ้นเองในกลางคลองเป็นเกาะใหญ่โตกว่าเกาะใหญ่ราชคลามที่ท้ายลานเทแขวนกรุงเก่าเป็นเกาะดินสูงเสมอและมีภูเขาอยู่บนเกาะนั้นด้วยยวนอาศัยภูเขาในเกาะนั้นเป็นป้อมเกาะนั้นยวนเรียกว่าเกาะเจียนช่ายไทยเรียกชื่อว่าเกาะแตงแต่ที่เกาะแตงนี้เป็นที่มั่นสำคัญของยวน เพราะมีคลองเล็กๆหลายคลองลัดมาเตะแม่น้ำอื่นอีกได้หลายทางมารวมกันที่เกาะแตงนี้เป็นทางร่วมเป็นที่ชยภูมิดีของยวนและมีทางจะหนีทีจะไล่เป็นที่แอบซุ่มล่อรวงหลอกหลอนแกข่าศึกมากหลายอย่างต่างๆเพราะท่าทางที่เกาะแตงนั้นเป็นที่ดีเองมีทางซุ่มซ่อนมากขอให้เจ้าคุณพระคลังระวังที่เกาะแตงนี้ให้มาก อย่าประมาทเลยด้วยที่เกาะแตงนี้เคยมีเหตุร้ายแต่ก่อนครั้งแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงคือแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกครั้งโ น, น้นสมเด็จพระเจ้าหลานเธอพระเจ้ากรมหลวงเทพพิรักเป็นแม่ทัพมารบกับยวนที่เกาะแตงนี้ก็แต่ทัพหนียวนเสียทีแก่ยวนที่เกาะแตงนี้ไปครั้งหนึ่งแล้วจนต้องรับพระราชอาชญา จำอยู่ในระหว่างโทษช้านานครั้งโน้นนั้นที่เกาะแตงนี้เป็นที่ชัยภูมิดีของไอยวนไอยวนเคยได้ชัยชนะที่นี้มากแล้วยวนมันก็จะแต่งกลร่อลวงพวกไทยเราที่นี่อีกเจ้าคุณต้องระมัดระวังรักษาตัวและรักษาเกียรติยศที่เกาะแตงนี้ไว้ให้ดีจะได้มีชื่อเสียงปรากฏไปช้านานกับกระผมได้ใช้ขเขมิไปสืบได้ความมา ต้องกลับคำให้การของหลวงชาติธิดรอนรานแขกจามกองประเวณเรือของเจ้าคุณพระคังที่ไอยวนจับไปได้ปล่อยให้กลับมานั้นขเขมรแจ้งความว่าที่เกาะแตงนั้นยังมีค่ายเก่าหมายจริงแต่ขังตั้งรับเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพพิรัก์นั้นยังอยู่ดีปกติไอยวนซ่อมแซมเสมอไว้เป็นค่ายหน้าด่านรักษาทางน้าลาคลองของไอยวน จึงว่าที่เกาะแตงนี้เป็นที่สำคัญมากมีค่ายครูพร้อมมูลอยู่แล้วเจ้าคุณจะยกไปทงกับมันที่นั่นให้ตรึกตรองให้มากให้ลึกซึ้งถึงที่เกาะแตงนั้นเป็นหน้าที่ของเจ้าคุณพระคลังแม่ทัพเรือจำจะต้องไปทางนั้นเป็นแน่แต่หน้าที่ของผมแม่ทัพ บ, บกนั้นจะต้องไปทางบกยกทัพเดินลัดตัดทางป่าไปข้ามที่ท่าข้ามเมืองบาพนม แล้วจะได้เดินบกไปบรรจบกับทัพเจ้าพระยานครราชสีมาและกองทัพพวกวังหน้าที่ยกพ่วงหน้าไปก่อนพร้อมกันที่ไหนผมก็จะได้ยกเข้าตีทัพยวนกรุงเวที่ยกมาล้อมเมืองไส่นอนทีเดียวที่เกาะแตงนั้นไม่ใช่หน้าที่ของแม่ทัพ บ, บกจะได้ไปทางนั้นเลยบัดนี้มาพบเจ้าคุณพระคลังเข้าแล้ว ขันผมจะละทิ้งให้เจ้าคุณไปแต่ผู้เดียวก็ไม่ได้ดูเหมือนไม่รักใครในเจ้าคุณด้วยเจ้าคุณพระคังยังไม่เคยทับเคยศึกใหญ่โตเหมือนครั้งนี้ครั้งนี้ผมจำเป็นจะต้องไปทางเรือด้วยจะได้ช่วยเจ้าคุณพระคังคิดอ่านแก้ไขในทางทับเรือแต่ทางทัพ บ, บกนั้นผมจะมีตราบังคับสั่งให้แม่ทัพนายกองทับบกหลายนาย รีบยกไปก่อนก็ได้เพราะกองทัพ บ, บกมีผู้คนมากมายอยู่แล้วและนายทัพนายกองก็ล้วนแต่แข็งแรงแทบทุกกองก็ว่าได้คือเจ้าพระยานครราชสีมาทองอินหนึ่งพระยาราชนิกูลเสือหนึ่งพระยาศิีหราชเดโชแย้มหนึ่งพระยาพิชัยสงครามเพชรหนึ่งพระยาวิชิตนรง1์หนึ่ง พระยาจ่าแสนยากอรวังหน้าหนึ่งพระยานครสวรรค์หนึ่งพระยากำแพงเพชรหนึ่งพระยาพิชัยหนึ่งพระยาพิจิตรหนึ่งพระยารามคำแหง1หนึ่งพระยาราชะสงครามเป็นผู้กำกับทัพฝ่ายเหนือด้วยที่ทัพวังหน้าก็มีมากพระยามนเทียนบาลหนึ่งพระยาราชโยธาหนึ่ง พระยาเสนาภูเบศหนึ่งพระยาสุรินราชเสนีหนึ่งพระยาสุเรนราชเสนาหนึ่งที่ออกชื่อมานี้แต่ล้วนเป็นพนักงานมีหน้าที่จำเพาะตำแหน่งทัพทั้งสิน้นอย่างพระยาพระหลวงและพระราชวังบวรที่เป็นนายทัพนายกองด้านนั้นยังมีอีกมากด้วยกันกับพระยาพระหลวงหัวเมืองฝ่ายไทยและเมืองลาวเมืองขมร ที่เกณฑ์มาสมทบเข้าเป็นลูกกองของทัพทั้งปวงนั้นก็มากมายอยู่แล้วทัพ บ, บกทั้งนั้นพอจะไปก่อนได้เห็นจะไม่เสียราชการได้เป็นแน่ฝ่ายเจ้าพระยาพระขังได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีจึงเรียนตอบเจ้าพระยาบดินเดชาว่าถ้าใต้เท้าโปรดได้ดังนั้นแล้วกระผมก็เย็นใจหนักหนา แต่ว่าใต้เท้ากับกระผมจะยกทัพเรือไปด้วยกันจากเมืองโจโดกที่เมืองโจโดกนั้นจะให้แต่พระพักตีนุชิปกับผู้ช่วยเมืองจันทบุรีคุมพลทหารพอสมควรอยู่รักษาเมืองโจโดกนั้นกระผมมีความวิตกที่ครัวยวนเมืองโจโดกจับไว้ได้มากแต่ชายชะกันร้อยแปดสิบสี่คนยังครอบครัวชายหญิงลูกวิ่งลูกจูงก็มากกว่าสามร้อยเศษ ด้วยจะต้องไปข้างหน้ายังช้านานอย่างไรก็ยังไม่รู้แน่ไอ้พวกยวนเหล่านี้ไม่รู้ที่จะทำอย่างไรจะจาตรวนไว้ที่เมืองโจโดกนี้ก็ไม่ไว้ใจเพราะพวกไทยมีน้อยตัวกลัวมันจะทาการกําเริบเป็นจลาจลขึ้นข้างหลังเราแล้วพวกที่อยู่รักษาเมืองจะระงับ ก, ก็ยากขรันคิดจะส่งเข้าไปในกรุงเทพเรือใหญ่ที่บรรทุกครอบครัวไอ้ยวน ส่งเข้าไปในกรุงเทพนั้นก็ไม่มีมีแต่เรือใหญ่ที่เป็นเรือรบสําหรับจะไปเท่านั้นการที่กระผมเรียนใต้เท้ามาทั้งนี้จะทําฉันใดดีขอบารมีใต้เท้าเป็นที่พึ่งด้วยในครั้งนี้ฝ่ายเจ้าพระญานบริณเดชาเมื่อได้ฟังถ้อยคําเจ้าพระยาพระคลังพูดดังนั้นแล้วก็หัวเราะจึงตอบว่า เมื่อเจ้าคุณมีความวิตกวิจาร์การเล็กน้อยเท่านี้เป็นไรมีผมจะรับธุระช่วยเจ้าคุณให้สำเร็จได้เมื่อเจ้าคุณพระขังกลัวบาปเกรงกรรมอยู่แล้วก็แล้วไปเถิดตกพนักงานไว้ธุระกับผมเองเจ้าพระยาบดินเดชาพูดเท่านั้นแล้วจึงมีบัญชาสั่งให้คนไปเรียกตัวพระสุรินทรามาศมาแล้วจึงมีบัญชาสั่งว่า ไอยวนชเชลยที่เป็นผู้ชายเช่กันมีอยู่มากน้อยเท่าไหร่ให้แจกพวกเราคุมไปคนต่อคนให้เอาไปฆ่าเสียให้หมดในวันนี้แล้วมีบัญชาสั่งพระพักดีนุชิตให้กวาดต้อนครอบครัวยวนที่เป็นผู้หญิงและชายแก่ชราหรือเด็กทั้งนั้นให้บรรทุกเรือเล็กใหญ่สำหรับเมืองให้มีคนไทยคุมไปส่งให้ถึงเมืองบนไทายมากให้สิ้นเชิงแต่ในวันนั้น แต่พระสุรินทรามาสสั่งเราให้ฆ่ายวนชายชกันร้อยแปดสิบสี่คนแล้วพระพักดรีนชิตก็ส่งครอบครัวยวนเสร็จไปในวันนั้นด้วยเจ้าพระยาบดินเดชาจึงให้พระยาสุนทรสงครามผู้ว่าราชการเมืองสุพรรณบุรีถือหนังสือตราบังคับสั่งแม่ทัพ บ, บกไปให้เจ้าพระยานครราชสีมาทองอินเป็นแม่ทัพใหญ่และพระยาราชนกูลเสือฆ่าหลวงกับกับทัพ ให้คุมทัพในกรุงและหัวเมืองฝ่ายเหนือและหัวเมืองลาวเขมรและเมืองนครราชสีมาด้วยรวมเข้ากันเป็นพลสองหมพันให้เดินทัพยกไปทางบกไปข้ามแม่น้ําน้อยตรงไปช่วยเมืองไส่ง่อนเมื่อเจ้าพระยานาครราชสีมาได้ทราบหนังสือบังคับสั่งดังนั้นแล้วจึงให้ยกกองทัพข้ามที่ท่าข้ามเมืองบาพนมเดินทัพตรงไปหมายจะข้ามแม่น้ําน้อยใกล้เขตแดนเมืองไส่ง่อน ฝ่ายเจ้าพระยาบรินเดชาเก็บได้เรือเชลยเมืองเขมรม า, มากจึงบรรทุกกองทัพ บ, บกยกลงเรือเดินทัพเรือไปด้วย ก, กันกับเจ้าพระยาพระรังรวมเป็นทัพเรือไปทางเดียวกันสั่งให้เจ้าพระยาพลเทพฉิมโจโฉเสนาบดีกรมเกตราเป็นแม่ทัพหน้าคุมทัพเรือกองหน้าล่องลงไปก่อนทัพเรือกองหน้าไปตามลำแม่น้าเมืองโจดก แล้วเรียวล่องลงทางคลองวามนาวกองทัพเรือไทยยกลงไปถึงที่ปากคลองวามนาวพบกองทัพยวนมาตั้งค่ายรับอยู่ที่ปากคลองวามนาวข้างใต้ค่ายหนึ่งองค์ทําตาลเป็นแม่ทัพใหญ่ในที่นั้นและข้างปากคลองด้านเหนือมีค่ายลูกหนึ่งองค์จันเบียเป็นแม่ทัพในที่นั้นเมื่อณนะวันเดือนสามขึ้นสิบสองคเจ้าพระยาพลเทพแม่ทัพกองหน้าสั่งให พระยาพิพิธโกษาคุมเรือป้อมกองหน้าแกวไปพรางยิงไปพรางจนถึงหน้าข่ายยวนยวนก็ยิงปืนใหญ่น้อยโตอตอบกับเรือป้อมเป็นสามารถเจ้าพระยาพลเทพจึงต้อนไล่เรือรบมีชื่อลงไปช่วยระดมตีข่ายยวนยวนกับไทยสู้รบกันอยู่เต็มทั้งวันยันค่ำคืนยันรุ่งยังไม่แพ้ชนะแก่กันผอกองทัพไทยเจ้าพระยาบรินเดชา และเจ้าพระยาพระคังยกลงไปทันท่วงทีในขณะนั้นก็ได้ช่วยกันระดมยิงค่ายยวนหยวนก็ยิงปืนใหญ่น้อยโตอตอบออกมาจากค่ายเป็นสามารถเจ้าพระยาบดินเดชาเห็นว่ายวนมวยยิงปืนโตอตอบอยู่ข้างหน้าค่ายกับทัพเรือไทยไม่หยุดหย่อนจึงสั่งพระยาพักดีภูบาลให้คุมกองทัพ บ, บกซึ่งมาทางเรือเล็กมาแต่เมืองขมรนนั้นให้ยกพลทหารพันเศษ ขึ้นบนฝั่งตลิ่งตัดไม้ไผ่ตั้งค่ายบนบกและมีค่ายแตะตั้งประชิดติดเนื่องกันเป็นวงพาดทั้งสองฝ่าครองวามนาวให้พระยาพักดีภูบาลเป็นนายกองค่ายฝั่งใต้ให้พระยาสุนทรสงครามเป็นนายกองค่ายฝั่งเหนือมีพลทหารกองละห้าร้อยคนตั้งค่ายประชิดรุกเข้าไปใกล้ทัพยวนทุกทีรบกันแล้วให้กองพระยาจ่าแสนบดินสีบริบาล นำเรือเล็กๆลากขึ้นบนบกยกหามไปข้างหน้าเป็นที่บังลูกปืนยวนได้บ้างเหมือนค่ายสีชุกกองหลังก็ตั้งค่ายประชิดใกล้ค่ายยวนได้ถนัดนำปืนหามเล่นและขานกอย่างยิงไปดังหาฝนยวนทนไม่ได้ก็ทิ้งค่ายแตกกล้าถอยหนีไปทางบกบ้างไถไล่าตามฆ่าฟันตายเป็นกองกองเกลื่อนตามทางทุ่งนั้นเต็มไปด้วยศพยวนบางพวกก็หนีลงเรือหน้าค่ายแกวหนีไป ฝ่ายทัพเรือไทยได้ทีพาเรือแจวเข้าไปตีตามรุกไล่ยิงแทงฟันยวนล้มตายในน้าและบนเรือเป็นอันมากที่จับเรือได้มาทั้งคนยวนเป็นๆก็มากกองหลวงลิต ร, รอนรานแขกจามจับได้เรือลบยวนสองลำลำหนึ่งมีดินดำบรรทุกมาไว้สำหรับใช้สอยหกสิบถังลำหนึ่งบรรทุกกระสุนปืนเล็กใหญ่หลายพันกระสุนเก็บได้มาให้เจ้าพระยาบดินเดชา เจ้าพระยาบดินเดชาให้รางวัลเป็นเงินตราห้าช่างแล้วตั้งให้เป็นพระพหุผลผามศึกแล้วให้คุมเรือรบยกลงไปรักษา่า ย, ยวนที่ไทยตีได้ไว้อย่าให้รือ้อครั้นเวลาบ่ายสี่โมงหลวงสุริยามาตไปลาดตะเวนกลับมาแจ้งความว่าได้เห็นยวนยกทัพ บ, บกทัพเรือเพิ่มเติมมาอีกหลายทัพแกวมาตามลำคลองวามนาวเห็นธงสีต่าง ยกมาทางท่าข้ามต้นสาได้ยินเสียงกองทัพตีเร่งรัวอยู่เสมอมิได้หยุดเลยขณีค า, าดการดูเห็นว่ายวนจะรีบเร่งเดินกองทัพมาโดยเร็วเมื่อเจ้าพระยาบดินเดชาได้ทราบิิตการข่าวศึกยวนยกมาเพิ่มเติมดังนั้นแล้วจึงปรึกษาเจ้าพระยาพระขังว่าหยวนยกมาอีกดังนี้เห็นเราจะรักษา่ายของยวนไว้ไม่ได้ ควรจะเผาเสียดีกว่ารักษาไว้เจ้าพระยาพระทังก็เห็นชอบด้วยจึงให้หลวงทะละเนยียนลงเรือเล็กข้ามฟากไปบอกแก่พระพระหลหามศึกผู้รักษาค่ายยวนนั้นให้ขุดดินในค่ายและนอกค่ายตรวจ ด, ดูว่ายวนจะฝังดินปืนและเครื่องสาปปราวุธไว้บ้างหรือไม่ถ้าไม่ได้ฝังแล้วก็ให้เผาค่ายเสียทุกค่ายยกพนลงเรือรบรักษาอยู่ที่ท่าค่ายนั้นก่อนครั้งนั้น พระพหลหันศึกกับหลวงธรเนตรสั่งให้ไพรพลขุดมูลดินผืนค่ายและนอกค่ายได้ปืนใหญ่รวมยี่สิบหกกระบอกกระสุนดินดำไม่ได้ขนปืนใหญ่ลงเรือแล้วก็เผาค่ายไอ ห, หยวนเสียสิ้นทุกค่ายฝ่ายแม่ทัพยวนชื่อองค์ธรรมตาลและองค์จันเบียเสียค่ายแก่ไทยทั้งสองค่ายแล้วก็พารีพลยกล่าถอยหนีไปตั้งค่ายรับกองทัพไทยอยู่ที่ปากคลองวามนาวข้างเหนือ ซึ่งเป็นคลองเล็กแยกจะลงไปทางเมืองเสดกที่ตรงนี้มีค่ายไม้จริงเป็นค่ายเก่าของยวนตั้งมาช้านานกว่า28ปีแล้วเดิมยวนตั้งไว้รับกองทัพสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักครั้งแผ่นดินต้นแต่ก่อนนั้นแล้วและยวนซ่อมแซมอยู่เสมอไม่ให้ชำรุดทุดโทมเพื่อจะตั้งเป็นค่ายด่านทางรักษาเขตแดนนี้ของยวน ต, ต่อมาจนถึงทุกวันนี้การครั้งนี้ที่องค์ทําตาลและองค์จันเบียแม่ทัพยวนแตกล่าถอยหนีไปเข้าค่ายเก่าที่ตำบลสามแยกครองวามนาวเสดกยวนจึงได้อาศัยค่ายเก่านั้นตั้งมั่นสู้รบเต็มกำลังทันท่วงทีที่หนีไปได้ที่มั่นสำคัญดังนี้แล้วยวนจึงมีกำลังกล้าขึ้นฝ่ายเจ้าพระยาบดินเดชาปรึกษากับเจ้าพระยาพระคลงว่า ไอยวนค่ายป่าคลองวามนาวก็แตกหนีล่าถอยไปหมดแล้วบัดนี้เจ้าคุณพระคังเป็นแม่ทัพเรือเป็นหน้าที่ของเจ้าคุณเจ้าคุณจะคิดเป็นประการใดเจ้าพระยาพระคลังตอบว่าควรจะยกทัพเรือลงไปตามตีค่ายยวนที่ป่าคลองเสเดกให้แตกเสียโดยเร็วจะได้ยกไปเมืองไส่ห้อนโดยง่าย ฝ่ายเจ้าพระยาบดีเดชาจึงว่าซึ่งเจ้าพระคุณพระคังคิดดังนั้นก็ถูกต้องตามทํานองศึกสงครามอยู่แล้วเพราะยวนหนีไปฝ่ายไทยก็จะไล่รบต่อไปนั้นถูกต้องตามพิชัยสงครามแล้วแต่ความคิดของผมนี้เห็นว่าถ้ารีดยกทัพเรือลงไปตามตียวนยวนคงจะต่อสู้แข็งแรงเพราะที่นั่นเป็นค่ายเก่าทําด้วยไม้จริงเสาโตโต ถึงมากว่ายวนจะแพ้จริงๆก็คงจะช้าหลายวันอยู่ยวนเห็นว่าทัพเรือไทยยกลงไประดมตีไข่ ย, ยวนที่ปากคลองเสดกนั้นพร้อมกันแล้วยวนก็จะยกทัพเรืออ้อมมาทางคลององค์เจียงได้แล้วยวนก็จะนำทัพเรือตีโอหลังตัดท้ายพลกองทัพเรือเราเราก็จะถูกเป็นทัพศึกขนาดอยู่ท่ามกลางระหว่างสงครามเหมือนหมากรุก ต้องรุกค่าเสียทั้งเม็ดมาเรือโคนแลเบียด้วยและขุนจะต้องถูกรุกจนมุมกระดานถ้าเป็นอย่างนี้จะว่ากระไรจะมิมีภัยมาถึงพวกเราทั้งหมดดอกกระมังอีกประการหนึ่งเล่าทางที่เราจะยกลงไปปีค่ายเก่าที่ปราคองเสด็จนั้นในกึ่งทางมีเกาะใหญ่ๆอยู่หลายเกาะดังเช่นเกาะเกิดเกาะพระเกาะบาง In, อออินเกาะเรียน ซึ่งทางจะไปกรุงเก่านั้นคล้ายๆกันกับจะไปทางปากคลองแสแจกเหมือนกันก็ตามเกาะทั้งหลายในแม่น้ําลํำคลองที่เราจะไปนั้นมีที่สําคัญของยวนจะตั้งตีสกัดหน้าก็มากหรือมันจะตั้งตีตัดท้ายพลเราก็มากมายหลายตำบลขอให้เจ้าคุณพระคังคิดตึกตรองให้ละเอียดจงระวังทางข้างหน้าและข้างหลังและตามทางที่จะไปให้รอบคอบทุกคิดทุกทาง ถ้าเห็นรู้ว่าที่ใดมีเป็นช่องเป็นทางจะเป็นภัยแก่เราแล้วนั้นก็ควรจะคิดปิดทางนั้นหรือจะป้องกันทางนั้นเสียก่อนจึงจะไปรบ ก, กับพวกยวนได้ครั้งนั้นเจ้าพระยาพระขังเห็นชอบเห็นควรตามความคิดท่านเจ้าพระยาบดินเดชาทุกประการจึงได้เขียนหนังสือเป็นข้อความปฏิญาณตนว่ากระผมยอมนับถือเจ้าคุณแม่ทัพสามประการคือ นับถือเป็นผู้มีอายุมากหนึ่งนับถือเป็นผู้มีชาติตระกูลสูงสักหนึ่งนับถือเป็นผู้มีสติปัญญากล้าหาญ ร, รอบรู้ในการสืบสงครามหาผู้ใดจะเสมอเหมือนไม่ได้หนึ่งเหตุสามประการนี้จึงยอมฝากตนและฝากอำนาจในราชการศึกแก่เจ้าคุณแม่ทัพบกครั้งนี้ให้เจ้าคุณแม่ทัพบกช่วยคิดอ่านและจัดการให้เป็นเกียรติยศภายหน้าด้วย แล้วมวบอายาสิทธิ์ให้ช่วยจาัด ก, การทัพเรือโดยหาความรังเกียจไม่ได้ประทับตราในหนังสือปฏิญญณแล้วนำมาส่งให้เจ้าพระยาบดินเดชาเจ้าพระยาบดินเดชาก็มีความรักนับถือเจ้าพระยาพระคลังตั้งแต่นั้นต่อมาอาณามสยามยุทธภาคที่สองตอนที่สามของทัพไทยเปิดศึก กับฟองทัพยวนที่คลองวามนาวกบลังเข้มข้นไปทุกขนาดโปรดติดตามตอนต่อไป